ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนธนามาพบกับท่านทั้งหลายกันในวันที่28กุมภาพันธ์2557ในวันที่28แต่พรุ่งนี้ไม่มีวันที่29นะเพราะเดือนนี้มีแค่28วันนะคะมีคนเขาชอบเล่นตลกกันเขาก็จะบอกว่าวันที่29 เปิดให้ทำโน่นทํานี่ฟรีทําในสิ่งที่ทําไม่ได้นะค ะ, ะถ้าคนไม่ได้สังเกตก็จะเข้าใจว่าโอ้สงสัยเป็นเรื่องจริงนะวันที่ยี่สิบเกจะเป็นวันที่โน่นนี่ฟรีอย่างนี้เป็นต้นน ะ, นะคะแต่รายการนี้เรามาตามมันเวลาที่เป็นสมมุติของโลกทุกวันจะในวันศุกร์นี่พบกันแน่ไม่ว่าจะตรงวันที่ใดก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังทำ ซึ่งพระศาสดาของเราตรัสรู้แล้วก็ตรัสสอนมีการถ่ายทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้และเราที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วถ้างานยุ่งวุ่นวายแล้วไม่มีการมาบอกธรรมอย่างนี้ก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปเลยก็ถือว่าเป็นรุ่งเช้าของทุกๆวันที่นำเอาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้มามอบให้กับท่านขึ้นอยู่กับว่าท่านจะรับไปแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะในตอนต้นของรายการ ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งท่าไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะทำให้กุศลสูงสุดเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเองเป็นผู้ทำภายในระยะเวลาอันไม่นานนั่นคือการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับเราภายใต้การนำของพระสงฆ์ซึ่งได้สอนการทำสมาธิเนี่ยอยู่เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนอย่างเป็นทางการที่วัดป่าดอนหายสุวรรธา น, นีที่ท่านกำลังจะได้พบ ในวินาทีต่อไปนี้นะคะนั่นคือพระภัยบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไยโซนะคะกราบน้องส ก, กังท่านคะเชิญบานในการเริ่มต้นของรายการก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมโดยให้ท่านผู้ฟังเนี้ยมาระลึกถึงลมหายใจของเราโดยการหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาให้หายใจเข้าอย่างเป็นธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก แต่ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจนะที่ตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะจะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นก็ได้แต่เวลาที่เราดมกลิ่นของหอมนะจะเป็นดอกไม้หร well. ืออาหารก็ตามของเหม็นก็ตามรับรู้ถึงกลิ่นได้ที่ไหนก็เอาจิตของเราจดจ่อไปที่ตรงนั้นอาการอย่างนี้คืออาการที่เรามีสติแล้วมันก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังมีสมองมันก็จะมีความคิดนึก นั่นนี่โนอนบ่านเข้ามาบ้างเป็นเรื่องอดีตอนาคตบ้างแต่ถ้าเรายังมีสติอยู่ในลมหายใจอยู่นั่นคือมันจะยืดไปเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันยืดไปข้างหนึ่งก็ติดอยู่กับลมหายใจอีกข้างหนึ่งก็อาจจะยืดไปอยู่กับสมาธินั่เราไม่ต้องบังคับจิตตรงนี้นั่ไม่ต้องบังคับความคิดไม่ให้มันไม่คิดไม่ต้องบังคับลมให้มันสั้นหรือมันยาวนัปล่อยให้มั น, ปนไปทำธรรมชาตินัความคิดที่มันผ่านมาเนี่ยก็ปล่อยให้มันไปตามทางของมัน ไปตามกระบวนการของสมองก็ให้มันไปนจิตของเราให้มาอยู่กับลมหายใจแต่มันาจะดึงเราไปทางนั้นทางนี้แต่ถ้าเรายังผูกจิตของเราไว้อยู่กับลมหายใจนั่นก็ชื่อว่าเรายังมีสติอยู่แต่มันก็จะค่อยตั้งมั่นมั่นคงขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังทราบในวันนี้นคือเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราจะทํำยังไงให้ได้เรื่องของอายุวันณนะความสุขยศสวรรค์นะห้าอย่างนี้ พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายเขาจะพอใจปรารถนาน่าใกล้กันนะได้เคยตรัสไว้กับท่านอนาถาบินทิกาเษฐีในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าพระบารีทํา5ประการนี้เป็นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้โดยยากในโลก5ประการคือ 1. ความมีอายุยืน 2. ความงามคือวรณนะ สามความสุข4ยศและ5คือสวรรค์ทำห้ประการนี้เป็นสิ่งที่น่าพอใจน่าปรารถนาในโลกเรามิกล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าเผื่อว่าทํา5ประการเหล่านี้อันน่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักใกล้ หาได้ยากในโลกนี้จะได้เพียงเพราะเหตุแห่งความอ่อนบอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซด์ในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรบุคคลที่ประเสริฐผู้ต้องการความมีอายุยืนไม่ควรอ่อนบอนหรือเพลิดเพลินในอายุนั้นหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุเตอผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐ ผู้ต้องการความมีอายุยืนพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความมีอายุยืนบุคคลผู้ต้องการความงามคือวันนะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือแม้เพราะเหตุแห่งความงามนั้นแต่พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อวันนะคือความงามบุคคลผู้ต้องการความสุขไม่ควรอ้อนวอน หรือเพลิดเพลินในความสุขแต่พึงปฏิบัติข้อปฏ TA ิบัติอันเป็นไปเพื่อความสุขบุคคลผู้ต้องการยศไม่ควรอ่อนวอนหรือเพลิดเพลินแม้เพราะเหตุแห่งยศแต่พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศบุคคลผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ่อนวอนหรือเพลิดเพลินแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์แต่พึงปฏิบัติ ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์จนผู้ปรารถนาอายุวันณนะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทําความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรนเสริญความไม่ประมาทในการทําบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมถือประโยชน์ทั้งสองไม่ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในพบต่อไปผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นหนังนี้ค่ะสาธุ ค, ค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะที่ผ่านมาแล้วนั้นเป็นการที่ท่านเพรบุญได้นำให้พวกเราปฏิบัติทำตั้งแต่นาทีแรกที่ท่านมาเลยนะคะ ก็เป็นที่อยากจะทําความเข้าใจกันว่าพอท่านพูดถึงเรื่องของการทําสมาธิเป็นอย่างไรพวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติตามไปได้เลยด้วยวิธีที่ท่านสอนและในระหว่างนั้นท่านก็อ่านพระสูตรที่มีคุณค่ามากอย่างเช่นพระสูตรนี้ต้องการความสุขแต่ไม่ควรอ้อนวอรเนี่ยนะคะใช่ให้กับพวกเราได้ฟังกันท่านพบูญคะอ่าฉันคิดว่าพระสูตรนี้เนี่ยหลายคนฟังแล้วต้อง เงี่ยหูฟังก็ต้องอยากเข้าใจมากๆเพราะมีความรู้สึกว่าอุอยากได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอายุวันหน้าสุขะยศสวรรค์เนี่ยแต่ว่าไม่ให้อ้อนวอนอืมก็ที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าต้องอ้อนวอนนะคะขับรถผ่านาขับประดุมมารูปทรงม้าสมัยเด็กๆนะคะอา่าผู้ใหญ่กจะสอนเราให้ขอพรอย่างท่านเลยนะอขอให้เรียนเก่งอืมๆนะคะทีนี้พอต่อมาเราไหว้พระ เราก็เลยขอหมดเลยค่ะอยาได้นอนได้นี่ขอทั้งหมดเลยนี่แหละนี่แหละคือประเด็นคุณยมถิวที่ว่าเอ๊ะมันมันมันเหมือนกับคันค้า น, านหรือว่าไม่เหมือนกับที่เราเคยทราบมาเรียนมารู้มาใช่ไหมเขาก็แบบสั่งสอนให้คุณขอสิขอนั่นขอนี้อ้อนวอนอะไรต่างๆนานานะซึ่งซึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่ได้มันคือถ้าใครจะได้ด้วยเพราะเหตุการณอ้อนวอนทุกคนก็จะไม่เสียอะไระมันก็จะไม่มีคนตายในโลกอะ มันก็จะไม่มีคนเจ็บในโลกเพราะคนเจ็บคนตายเขาก็อ้อนวอนสิฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากเจ็บก็ได้หมดนะแต่มันไม่ได้ไงฟังอันนี้พอเข้าใจนะคะว่าทำไมงั้นก็ไม่มีอะไรเสือเ่อมเนี่ยพอเข้าใจแต่ตอนที่คนสนใจมากดิงันเข้าใจว่าสนใจตอนที่พระพุทธองค์ตรัสให้อ่าทาตามปฏิปทาใช่ไหมคะปฏิบัติปฏิปทาใช่ใช่ใชทีนี้ ก็เลยอยากรู้ว่าตัวปฏิปทาที่เป็นอย่างไรเหรคะอืมอ่าที่เขจะไล่ไปดีละอันนังบทพิัญญชนะที่เราต้องทําความเข้าใจอันแรกก่อนนั่นคือ1อ้ อ, อนวอนคุณเลิกไปเลยแต่อนจารย์ต้องทําความเข้าใจระหว่างการอ้อนวอนคือการขอกับการตั้งใจมั่นในการที่เราจะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคุณโยมติวพูดมาสกุลว่าเด็กๆขาดวัฒนธรรมรูป้รงมะก็ขอให้สอบได้อย่างนี้ใช่มค่ะไอการขอให้สอบได้เนี่ยคือขอให้ขอผล นั่นโดยคุณไม่ทําอะไรนั่นะคือขอแต่ผลจะก็ไปอ่านการ์ตูนก็ได้แล้วก็คิดว่ามันจะสอบผ่านอันนี้คือลักษณะของการขอการอ้อนวอนโดยคุณไม่สร้างเหตุอะไรนะั่แต่การที่เราตั้งใจในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคุณตั้งใจเรียนหนังสือคุณตั้งใจอ่านหนังสือคุณอธิษฐานจิตว่าฉันจะอ่านหนังสือได้วันละแปดชั่วโมงเนี้ยคือการอธิษฐานอธิษฐานเป็นภาษาบาลีนะคุณโยมติว๋วแปลว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพราา ะ, ะนนนั้คุณอธิษนน่ ไม่ใช่ขอนะอธิษฐานคือตั้งใจทําแต่คุณตั้งใจทําอะไรเช่นคุณต้องการความร่ํารวยคุณก็อธิษฐานสิในการที่คุณจะขยันขันแข็งในการทํางานนะโทรหาลูกค้าออกสายเดินสายนะขยันทำมาหากินนะคิด product ใหม่ๆพวกนี้เป็นการอธิษฐานทางศีลไม่ใช่ขอนะมันไม่เหมือนกันนะแยกกันได้ตรงตกลงอธิษฐานไม่ได้ไปแปล ว, ว่าขอหรอคะ่ะ ไม่ใช่อธิษฐานคือแปลว่าการ <c oughs> ตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คืออธิษฐานค <c oughs> ่ะนั่นฟังทองเลยการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการจะทำใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะซึ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิง <c oughs> อ่า <c oughs> มันคือการสร้างเหตุอธิษฐานคือการสร้างเหตุขอคือคุณขอผลนั่นมันต่างกันมันต่างกัน <c oughs> ถ้าคุณต้องการผลโดยไม่สร้างเหตุเฮ้ยอย่ามาพูดเลยคําสอนพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องนั้น ถ้าคุณสร้างเหตุแล้วคุณจะหวังผลหรือคุณจะไม่หวังผลโอ้ยแต่คุณก็จะต้องได้ผลอันนี้ธรรมดาเราพูดถึงเหตุที่ถูกต้องโอเคน ะ, คะอันนี้คือเรื่องแรกที่ต้องการความทําความเข้าใจนะคือคําว่าอ้อนวอนขอไม่เหมือนกับอธิษฐานอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งอธิษฐานได้ว่างั้นเถอะแต่ต้องอธิษฐานให้ถูกต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าอาธิษฐานคืออะไรใช่อธิษฐานคือการทําเหตุให้มันเกิดขึ้น อันที่สองที่ต้องทําความเข้าใจในเรื่องประสนี้นะก็คืออย่าเพลินอย่าเพลิดเพลินในสิ่งที่คุณต้องการนั้นก่อนนะคุณต้องการอะไรยศใช่ไ้ยเลื่อนตําแหน่งความสุขเงินทองความร่ํารวยความที่สุขภาพดีไม่ป่วยไขนะ้สวยงามหน้าเดงอะไรต่างๆแต่คุณต้องการใช่ไหมอันดับแรกนะคุณอย่าอ้อนวันนี้เข้าใจแล้วนะข้อที่2ออย่าเพลินนะอย่าเพลินอย่าเพลิดเพลินในสิ่งนั้น ทำไมเพราะเพลินแล้วมันจะประมาทนะบางคนได้เงินร่ำรวยใช่ไหมเพลินเพลินแล้วประมาทประมาทแล้วเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้จักรักษาหน้าที่ของตัวเองนะถูกคืออาจจะทําไม่ดีเช่นโกงบ้างหรือว่าทําสิ่งไม่ดีเช่นโประมทคนที่เป็นพวกบ้างนะทําให้การงานเสียหายนะเพราะเพลินไปคือถ้าเพลินแล้วคุณจะไม่ได้นะทําไมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายเพราะว่า มันเป็นเรื่องของกามคุณทั้ง5้าอันนี้พระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการมมาุณทั้ง5เนี่ยคุณจะทําให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะใช่อยู่ เ, าเราควรจะต้องละแต่ถ้าต้องมีถ้าคุณต้องการสิ่งนี้ยังต้องการอยู่เนี่ยยิ่งใจของเราต้องมีกําลังมากนะอย่าเ <c oughs> พลเพลินในสิ่งนั้นนี่คือประเด็นที่2องกรรมคุณทั้ง5ของท่านเนี่ยคือการอยากได้อายุยืนวันนะความสุขยศสวรเนี่ยเหรอคะถูกต้องถูกต้อง อีกชื่อหนึ่งถ้าฟังยากๆหน่อยคือการมาุคุณ5้าเาถ้าฟังง่ายๆหน่อยก็คือไอ้าอย่างนี้แหละนะะทีนี้2 อ, อย่างนี้ถ้าคุณมีเราถึงจะค่อยมาคุยกันได้ว่าต้องการบรรณะทําอะไรบ้างนะต้องการอายุทําอะไรบ้างเข้าใจแล้วน ะ, ะคือหนึ่งอย่าอ้อนวอนแต่ให้อธิษฐานสร้างเหตุสองอย่าเพลิเพลินแต่ให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติอยูนะ่สองอย่างนี้ค่ะเข้าใจละแล้วอะไรล่ะ ที่จะเป็นเหตุแห่งการเพื่อที่จะได้เพื่อความมีอายุยืนโอ้พริพุทธเจ้าพูดเไว้อย่างน้อย2องนัยยะนัยยะแรกนั่นคือการเว้นขาดจากการค่าสัตว์เนี่ว้นขาดจากการรังแกก็เรียกว่าอะไรทำสัตว์ให้มันเจ็บช้าอะ่ะเช่นตีมันหรือทรอมานสัตว์ตรงนี้คือปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่อความมีอายุยืนได้นะกับพูดง่ายๆคืออย่าไปรังแกสัตว์ นะคือไม่ว่าไม่ว่าจะคือบางคนอาจจะว่าไม่ให้มันตายหรอกแต่ว่าแกล้งมันอย่างเงี้ยดึงหางหมาเนะื้อตีมันแรงๆอันนี้จะเป็นปฏิปทาที่จะทำให้คุณอายุสั้นนะแต่ถ้าคุณไม่ทําอย่างนั้นมีความเมตตาในมันมีความกรุณนานในสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นไปเพื่อความมีอายุยืนอันนี้ในยะที่1นึ่ ใ, ในยะที่1น่งในยะที่2พูดถึงเรื่องของการเจริญอิทธิบาศสีสําหรับประสงค์อิธิบาศ4ีจะเป็นไปเพื่อความมีอายุยืนได้นนี่คือในยะที่2อง พูดถึงเรื่องของวั น, น, ะนะคือความงามนะความงามไม่ว่าจะเป็นงามทางด้านผิวพรรณหรืองามทางด้านจิตใจก็ตามเอางามทางด้านผิวพรรณปฏิปทาที่จะเป็นไปนเพื่อความงามในด้านนี้นคือการที่ให้ทานพวกผ้าพวกของหอมคอเครื่องรูปไร้รูปทาคเครื่องที่นอนที่อยู่อาศัยประทีบโคมไฟพวกนี้นะจะเป็นไปเพื่อการที่ได้วั น, นะค่ะคือที่ฉันสงสัยนิดเดียว ียว่าทานผ้าที่เป็นผ้าของหอมของรูปไล่รูปทา อ, อย่างเนี้ยที่ท่านได้พูดไปเนี่ยให้ใครค ะ, ะให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้๋ม<อ> <นะ S 2> ไม่ใช่ว่าถวายพระใช่ไหมคะอ่าคือมันอยู่ที่ว่ามันจะได้บุญมากหรือน้อยคือการที่เราจะมีอายุวันณนะสูพระยศสวรรค์เ น, นี่ยพวกเนี้ยคุณจะต้องมีเขาเรียกเหมือนกับอัตราแรกเปลี่ยนนั่นคือค่าเงนซีแต่คุณจะไปซื้อพวกนี้ได้คุณต้องมีเงินเงินในที่นี้คือบุญ แล้ถ้าคุณมีบุญ ค, คุณสามารถที่จะไปเอ็กซ์ชแนแลกความสวยมาแลกอายุมาแลกความสุขมาได้แต่เพราะนั้นบุญเกิดจากอะไรในการที่เราให้ทานตรงนี้แหละเกิดขึ้นบุญได้อา่าถ้าเราไปทําในาสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญบุญก็จะไม่ค่อยมากก็ได้อยู่แต่ไม่มากแต่ถ้าคุณไปทําในเนื้อนาบุญก็จะได้บุญมากเพราะฉะนั้นเนื้อนาบุญ<อ>ก็คือประสงค์ให้ทานใช่ค่ะค่ะเราก็เลือกให้ถูกเลือกให้ถูกเออ ค, คือถ้าอาจจะมาจะบอกว่าทําให้พระอย่างเดียว อ่มันก็ได้บุญเยอะอยู่ใช่จริงนะคุณก็เลือกพระให้ถูกองค์ที่ก็เป็นเนื้อนาบุญคือเร่ส่สงสยัวยรือว่าถ้าเกิดถวายพระเนี่ยองหอมขอขงรูปทาเนี่ยขนาดแค่ศีลแปดก็ไม่ให้ใช้แล้วอะค่ะอ๋อเออเช่นว่าอะไรหลายอย่างเอ่อฤ ด, ดูหนาวอย่างเนี้ยอาตมาก็ต้องทาน้ำมันนะซึ่งน้ำมันมั น, มนก็ทาได้เพื่อที่จะรักษาไม่ให้ผิวมันแตกอย่างเนี้ย เครื่องรูปลายรูปถาอันนี้มีได้ะนะอันถ้าคนที่รักษาศีนแปดเนี่ยเขาจะต้องมีระวังอยู่ข้อนึงก็คือว่าไม่ใช้เครื่องประเทืองผิวอันมันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวอ่าเช่นลิปสติกไม่ต้องทาแต่ถ้าทาลิปมันเพราะว่าลิมวิปปามันแตกคุณทาได้น่าจะแตกต่างกันค่ ะ, อคะโอเคนะในเรื่องของวันนะยังมีในาย่าหนึ่งแต่ผู้ชอบบอกว่าศีนี่แหละจะเป็นไปเพื่อความเป็นวันนางงามเนื้อสีเ น, นื้ีหน้า สิ้นแปองนี้ได้ทั้งสิ้นนะเหมือนกับการแต่ง <Okay. S 1> องค์ทรงก็เรื่องให้ดีนะต่อไปคือเรื่องของความสุขนะความสุขเนี่ยโอ้มันก็ครอบคุมหมดเลยเนาะความสุขอาจจะเป็นความสุขทางกายเป็นความสุขทางใจเพราะนั้นอะไรที่จะเราทําแล้วจะเป็นไปเพื่อความสุขเนี่ยพระเจ้าเคยตรัสในยะที่เบื้องลึกอยู่นั่นคือการเจริญสมาธิ แตแต่ชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสชั้น4พวกนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันจิตเราเป็นสุขทันทีได้ธรรมมาคือเรื่องของยศเดี <Okay. S 1> ๋ยวผ่านเรื่องของยศยศในที่นี้ก็คื อ, อมันก็จะคละ้ายๆกับตําแหน่งแต่ตําแหน่งนี้จะมาพร้อมกับหน้าที่นะยศนี่ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเหมือนกับว่าที่เขาให้ยศคุณว่าคุณยศนั้นยศนี้อาจจะมีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งก็ว่ากันไปนะยศ <Okay. S 1> ในที่นี้ก็เหมือถึงการที่เรายกย่องคนอื่น การที่เราเห็นคนอื่นแล้วเขาได้ดีและเราไม่ขึงเครียดแต่ว่าอนุโมทนากับเขาจะเป็นไปเพื่อให้ได้ยศเพื่อความเป็นใหญ่อันนี้คือ oh. ปฏิปทานี้นะสมมติคนเขา <Okay. S 1> ได้แต่งตั้งขึ้นแม้ถ้าเราอิจฉาปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่ได้ละอันนี้จะไม่ใช่ปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่ของคุณแต่ถ้าคุณอนุโมทนากับเขายินดีเขาด้วยโอ้โ oh, หได้เลื่อนตําแหน่งไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเส้นก็ตามคุณเป็นเด็กที่ทํางานอย่างดีก็ตามเถอะก็ยินดีด้วย ใจของเราอย่างนี้เนี่ยจะเป็นทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อยศนั่นเนองในเรื่องของยศเนที่เป็นความหมายเบื้องลึกเนี่ยคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตอนก่อนปฎินิพานว่าพระองค์นเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเกียรติยศนั้นด้วยเกียรติยศของพระองค์คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตสี่อย่างนี้เนี่ยเป็นเกียรติยศของพระองค์<ช>เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติยศ ของสำหรับความหมายเบื้องลึกก็คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์นะีตรงนี้เหมือนกับติดบ่าไว้เลยนะีถ้าพระ อ, องค์ไหนมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์มากยิ่งมากยิ่งสูงนะีคุณยิ่งมีเกียรติมากมียศมากมีความสูงมากไม่ต้องให้ใครมาให้สมณศักดินะ์ในอยู่ที่ศีลสมาธิวิมุตต์ของคุณนะอันนี้เฉพาะพระใช่ไหมคะเบือ้องความหมายเบื้องลึกไงความหมายเบื้องลึกค่ะอ่าในข้อสุดท้ายคือสวรรค์นนะีสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อสวรรค์คือทานศีลนีนะ่ อ, อย่าง ทานและศีลจะเป็นไปเพื่อสวรรค์ได้ค่ะซึ่งสวรรค์ถ้าเราพูดถึงความหมายเบื้องลึกในใจเดียนะเดี๋ยวนี้นัก็คือเรื่องของการที่เรามีศรัทธาศีลจากข้าพัญญานะสอย่างนี้จะเป็นคุณธรรมเพื่อที่จะทําให้ไปสวรรค์ได้นะค่ะนะซึ่งถ้าท่านถ้าดิฉันดูตั้งแต่ปฏิปทาแรกคือเพื่อให้อายุยืนรวมๆกันแล้วก็คือที่เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะคะอย่างน้อยได้ทุกข้อเลย เพราะว่าพอมีศีลเว้นขาดการฆ่าสาตว์ข้อที่หนึ่งจะอายุยืนใช่ไหะใช่ใชแล้วก็อย่างปฏิปทาเรื่องความงามเนี่ยท่านก็บอกว่าเหตุผลในเบื้องลึกปฏิปทาก็คือถ้ารักษาศีลมีทำให้วนนางามอแล้วก็พอเรื่องเจริญสมาธิเนี่ยสมาธิมีศีลอยู่ในนั้นถูกไหมคะขณะธรรมสมาธิทุกคนอยู่ในศีลมาถึงเรื่องยศก็เช่นเดียวกันก็มีการพูดถึงศีลสมาธิปัญญาในเชิงลึกว่าทําให้มียศ นะคะส่วนสวรรค์ น, นั้นตรงตัวมีทานมีศีลมีจาระมีศรัทธาศีนเนี่ยพระเจ้าเคยเคยเปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดินนะไม่ว่าถ้าแผ่นดินเนี่ยจะสัตว์บกสัตว์เท้าใหญ่สัตว์เท้าเล็กนะทุกอย่างก็จะอยู่บนแผ่นดินหมดแล้วนะก็เหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรก็จ ะ, ะต้องมีศีนเป็นพื้นฐานนั่นเนองก็เท่ากับว่าหากทุกคนเนี่ยตั้งใจรักษาศีล พรทั้งหลายบังเกิดเองใช่ใช่ใช่ใช่ท่านคะดิฉันเวลาที่พระให้สีเนี่ยก็สีเลนะจุขติงยันติถูกต้องอ่าสีเป็นไปเพื่อความสุขค่ะดิฉันเห็นถ้าเป็นโยมโบราณนะคะก็จะยกขึ้นมือมาสาธุทีห่งสีเลนะโพค้สัมปทาก็สาธุอีกทีหนึ่งสีไปไปเพื่อความกสัมพุติงยันติอ่า เราจะสาธุา ก, กันอีกทีใช่ใช่อันเดียวกันเลยถูกต้องถูกต้องแล้วศีนเนี่ย <c oughs> มันอยู่ที่ใจของเรานะคือาการที่เราตั้งใจในการที่จะกระทําสิ่งนี้นความตั้งใจตรงนั้นเนี่ยความตั้งจิตตรงนั้นเนี่ยคือศีนแล้วหมายถึงความเป็นปกติอย่างนั้นนั่นเองค่ะท่านคะทีนี้เวลาที่เราเข้าพิธีต่างๆเนี่ยจะมีการอาราธนาศีนการให้ศีนการรับศีนเป็นเรื่องเป็นราวกันอแต่นี้ในชีวิตประจําวัน่ะ ถ้าเราก็ตั้งใจจะรักษาศีลนี่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศาสนาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าพี่เนี่ยมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดศีลห้าคือเขามีความเชื่อเขารักษาศีลดิฉันไม่ทราบว่าในลักษณะอย่างเนี้ค่ะคือเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องจะได้ผลเป็นกรรมคุณทั้งห้านี้หรือเปล่าเลยด้วยนะคะเขาบอกว่าก็รู้แต่ ว, ว่าพระพุทธเจ้ า, จาพูดถึงศีลห้าเหมือนกับว่ารูว้ว่าศีลห้าดีเนี่ยแล้วมาวิเคราะห์ตัวเองว่าไม่ได้ทําแน่ เอ่อโดยไม่ต้องอาราทธนาเลยเนี่ยได้ผลเท่ากันไหมคะท่านถูกต้องศีลเนี่ยจุดประสงค์นะคุณโยมติคําว่ามัศลาสีสลายล่อลิงเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะใช้สอเสือเนี่ยหมายถึงความเป็นปกตินะถ้าเราทําอย่างเป็นปกติอยู่แล้วะนั่นแหละคือศีลของเราอยู่แล้วเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากปัญหาไม่ถูกรูปความด้วยทิฏฐิและเป็นไปเพื่อสมาธินี่สําคัญเป็นไปเพื่อสมาธินี่ค่ะเห็นไหมคะ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านไปบูญนํามาบอกพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ พ, พื้นพื้นที่คนมักจะอยากได้กันทั้งนั้นเลยนะคะอยากมีอายุยืนอยากสวยอ่ะผิวพรรณงามอ่าอยากมีความสุขความสุขนี่รวมทุกอย่างเลยใช่อยากมียศนะคะทํางานอะไรก็อยากมีชีวิตที่มันเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยแถมตายแล้วก็ยังไม่วายอยากนะคะอยากไปสวรรค์วันเ <c oughs> น, นี้บอกทางไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จทบทวนกันเอาก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าเวลาผ่านไป ยังสงสัยอยู่อันนี้ก็ฟังไปเรื่อย ร, รับรองว่าเรื่องพวกนี้จะปรากฏอยู่เสมอเสมอวันนี้กล่าวนมรดการขอพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะมรดการค่ะท่านฟัน ท, ที่ค ร, รบค่ะเนี่ยละค่ะเห็นไหมคะว่าคำสอนของพระาศาสดาของเรานั้นเหมือนกับว่าสามารถที่จะให้ทุกอย่างที่เราปรารถนาได้ทั้งหมดขอเพียงแต่เราสร้างเหตุก็แล้วกันแล้วก็สร้างเหตุที่ถูกต้องนะคะรายการนี้มีหน้าที่ นำเอาสิ่งที่พระพุทธองตรัสสอนไว้มาบอกพวกเราส่วนเราจะรับกันไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นก็ควจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องอธิษฐานมันคะที่ท่านพิบูลพูดนะคะเป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อที่จะให้ผลทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นมานะคะสร้างเหตุเกิดผลแน่ไม่สร้างไม่เกิดแน่เหมือนกันคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะคะสัปดาห์หน้า จะเป็นสัปดาห์ที่เรานํานเอาสิ่งดีๆแบบนี้มามอบให้กับท่านส่วนท่านไปบูรนั้นสัปดาห์หน้าท่านจะไปอินเดียนะคะนำคณะไปสแสวงบุญแต่ท่านก็ทําเทปเอาไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะก็ช่วยกันนะคะส่งจิตส่งใจให้คณะของท่านนั้นเดินทางไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่และนําเอาผล น, นั้นมาฝากกับพวกเราขอบคุณมากนะคะติดตามรับฟังรายการในสัปดาห์หน้าพุทธสวัสดีค่ะ